บทนี้ได้เริ่มโดยการสาบานด้วยม้าที่วิ่งขณะที่มันจู่โจมศัตรูเป็นการแสดงออกซึ่งเกียรติและความดีและความดีของมันณนะที่อัลลอ์โดยที่มนุษย์นั้นเป็นผู้เนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีต่อเขาไม่ยอมรับการมีบุญคุณและความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเขาท้งนี้เขาได้ประกาศการเนรคุณและปฏิเสธการมีบุญคุณของพระองค์ ด้วยการการะทํำของเขาและคําพูดของเขานอกจากนี้บทยังได้กล่าวถึงการรักทรัพย์สมบัติด่างมากมายของเขาบทได้จบลงด้วยการประกาศว่าทางกลับของมนุษย์ย่อมกลับไปหาอัลลอฮ์เพื่อการชําระและการตอบแทนทรัพย์ชนบัติและเกียรติยศชื่อเสียงไม่อํานวยประโยชน์อันใดเลยให้แก่เขาแต่การการะทําความดีเท่านั้นที่จะช่วยเหลือเขาได้ ด้วยพระนามของ Allah, อวโลู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอบหหขอสาบานด้วยม้าที่วิ่งหอบหักหักแล้วด้วยม้าที่เก็บเท้ากองมันกระทบกับหินจนเกิดประกายไฟ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 ถ้าจริงมนุษย์นั้นเป็นผู้ในรคุณต่อพระผู้พิบาลของเขาและแท้จริงเขาได้เป็นพยายนต่อการนั้นอย่างแน่นอนและจริงเขามีความหวงแหนเพราะรักในทรัพย์สมบัติ่น่น่นและแท้จริงเขมีความหวงแนเพราะรักในทรัพสมบัติ